เปเตดูว่ากาที่เราดูตัวรู้อยู่ใช้ไอมให้แค่มันต้องมีสติจำกับตัวรู้นั่งอยู่ตลอดให้แค่ถ้าเหมือนย่งนันจะใแค่เหมือนดูเฉยๆเดยมมีสติกัดันก็จะบางทพลาดออกไปตอนนี้จริงๆมันมันเกือบเกือบจะเสมือนตัวเดียวกันแล่วใช่ไหมคแต่ว่าในหลนลูกก็มีคิดว่าสำหรับคนบ้าเนี่ยในตัวรู้เรื่องเขามีแต่เขาไม่มีสติใช่ไห เตัวรู้มันเหมือนกับเหมือนกับแก้วเนี่ยมันจะอยู่ในท่าไหนมันก็ยังเป็นตัวรู้อยู่ถ้ามันเป็นเป็นเป็นมันไม่มีสติมันก็เหมือนกับแก้วที่คว่ำอยู่มันรู้แต่ถ้าไม่รู้มันไม่รับรู้เรื่องที่มันคิดเข้ามาสัมผัสกับมนั่นเหมือนกับสติถ้าถ้ามีสติเหมือนกับพลิกแก้วขึ้นให้มันรับกับรับรู้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน นี่ยถ้าไม่มีสตินี่มันจะรู้แต่มันจะไปรู้กับเรื่องอะไรกีฬาถะแล้วแต่ที่จะมันจะไปนสนใจโดยใหญ่นนคนที่ไม่มีสติมันจะไปกับอารมณ์ของความคิดตึงแต่บางทีนั่งอยู่ตรงนี้ตาไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องงานที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันิก็เองจะอยู่ในโลกของจินตนาการอยู่ในความคิดเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยเ็แสดงว่าไม่มีสติแต่มีตัวรู้ เขามาสตินี่มันมั น, ม, นมันเน้นมาที่ปัจจุบันกันแล้วการมีสติหมายถึงการดึงจิตให้มารับรู้อยู่กับปัจจุบันในที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วกับกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นใหม้มีสติกับลมหายใจเขา้าก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเขา้าสติมันเป็นเหมือนตัวเดิมเดิดึงจิตให้ให้ให้มาอยู่ในในเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือให้อยู่กับเหตุกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดในปัจจุบันนั้นเป็นให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ให้อยู่กับลมหายใจก็ออกก็ได้ให้อยู่กับการฟังก็ได้ถ้าฟังเนี้ยแสดงว่ามีสติตัวสติดึงตัวใจให้มารับรู้กับเรื่องของการฟังแต่ถ้าไม่มีสติตัวตั ว, ต, วตัวรู้นี้อาจจะไปรู้เรื่องอื่นแทนที่จะรู้เรื่องที่กาลังพูดอยู่ ่พูดอยู่เนี่ยแต่ใจมันไปกังวลกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องเองื่นมันก็ไม่มีสติหมายว่าทำไมความสติก็คือการดึงใจให้มันเข้ามารองรับกับความกับเหตุการณ์ในในปัจจุบันและในเหตุการณ์ที่เรากําหนดให้มันรับรู้ถึงจะเรียกว่ามีสติสตินี่เป็นตัวเหมือนตัวดึงตัวดึงใจให้มารู้ ถ้าเนี่ยถ้าถ้าอย่างนั um> ้นเนี um> so like like okay. so s? <S ่ยสติตัวน so ี้จะจะเป็นสติที <S> <S <S <S <S ่เต็มไปด้วยกิเลสได้และไม่เต็มเลยคือตัวที่เต็มเรื่องเลยและเป็นตัวรู้หรือตัวตัวตัวที่ตัวที่มีจิเลสไม่มีกิเลสหือตัวรู้ตัวรู้นะตัวที่อยู่น้มที่อยู่ในนี่นั่งอยู่ในแก้วนี้ตัวสตินี่เป็นตัวมือเป็นตัวมือที่คอยดึงให้มันมาอยู่หลายขึ้น แต่บางทีจิตเนี่ยมันจะไม่มันไม่มันไม่ตั้งอยู่อยนี้เพราะมันถูกอันเลิลากไปให้เอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาในเวลาสมมาตาเอ็นไปทางซ้ายมากๆเทน้ำไหลเข้าไปมันก็จะไหลออกมาเหมือนกับมันไม่รับมือเรื่องของน้าที่เทเข้าไปเน้นถ้าพูดคำจริงแล้วตัวสติก็คือตัวตัวที่เหมือนกับเป็นตัวที่คอยควบคุมจิตผู้คุมจิตนี่เองน คุมให้อยู่ในในในปัจจุบันเป็นหไรเพื่อจะได้รู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ตัวสตินี้มันไม่ได้มีกิเลสและไม่มีกิเลสมันมันเป็นสติมันไม่เกี่ยวกับกิเลสไม่ไม่กิเลสแต่ว่าถ้ามันไม่มีสติกิเลสมันก็จะทํามันก็จะดึงใจไป ไปทําอะไรได้หลอกให้ใจไปไปทุ่งท่าก็ได้ไปห่วงไปกังวลไปวิตกกับเรื่องต่างๆก็ได้เพราะว่าไม่มีสติคอยดึงไว้แต่สติดึงไว้อย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีปัญญาถึงจะระงับความห่วงความกังวลนั้นได้แต่อย่างน้อยก็ดึมให้เข้ามาอยู่ในในปัจจุบันได้เช่นสมมติว่าเราห่วงแล้วกังวลนัื่อนั้นเร่อนี้นนนน พอเราได้สติเราก็ให้กลับมาอยู่ตรงนี้สิเรื่องมันอยู่ที่กรุงเทพแต่เราอยู่ที่ที่นีนะ่ก็ดึงกลับมาแล้วถ้ามันไม่ยอมมันยังไม่ยอมอยู่แล้วก็ใช้อุบายของสมาธิบรกิกรรมพุทโธหนั่งไหมคือบางทีสติเราเฉยๆมันไม่คลองดึงมันมาแล้วมันไม่อยู่พอได้สติตั้งเดียวมันขาดลนะมันกลับไปคิดอีกแล้วก็ต้องดึงมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป พอพุทโธพทไปมันก็ไม่สามารถที่จะคิดเรื่องอื่นได้พุทโทก็เป็นเหมือนกับเสาสติก็เป็นเหมือนกับเชือกส่วนจิตนี่ก็เหมือนกับหนีรู้สัญญาณเราก็ต้องจับเชือกผูกคอไว้ปลายหนึ่งก็ผูกคอไมไว้แล้วปลายนี้ก็ผูกมัดไว้กับเสาแต่ถ้าถูกไว้แล้วเชือกมันขาดก็แสดงของสติมันมันอ่อนพุโทโธด้วยสองคำมันก็ไปละ ไม่มีสติกระจายลอยเออ ก, กระจรยลอยล <c oughs> อยมากๆกลายเป็นใจอออะไรคนคนไม่สติไปพระเจน้นเรื่องกิเลสนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับสติมันอยู่ที่กิเลสมันมีอยู่แล้วอยู่ในจิตของพุทุชนทุกคนจิตของของพุทุชนกับจิตของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงนี้เองตรงที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลส แล้วเป้าหมายของปุถุชนก็เพื่อที่จะทําจิตให้สะอาดไม่มีกิเลสมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี่ยมันเกิดจากอาวิชชาเป็นหลักคือความหลงคือเจ้านายใหญ่ของกิเลสสุดยอดของกิเลสก็อวิชชาคือความหลงความหลงก็คือไม่เห็นนายกรัฐนั่นเองไม่เห็นอนิจจังทุกขังนักตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อไม่เห็นก็หลงยึดจิต อยากอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนานอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับตรงไปนานๆมันมันมันเพราะมันแสดงแล้วว่ามันไม่เห็นความจริงถ้าคนเห็นความจริงว่ามันจะต้องไปแล้วเราจะไปอยากมันทำไมแล้วก็จะเห็นความทุกข์ตามมาด้วยว่าถ้าไปอยากแล้วมันก็ใจก็จะวุ่นวายก็สับกสายขึ้นมาทันทีอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ไปนานๆ ใช่ไหมสายนั้นก็สับประสายแล้วนี่ก็คือความทุกข์แล้วมันก็จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าเหมือแดบลมลมอะไรต่างๆเขามาแล้วเขาไปตามทางแม่น ข, ขา แต่เราชอบไปคว้าเอาเข้ามาว่าเป็นของฉันแล้ฉันจะให้อยู่กับฉันนานๆอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความปัญห า, าต่างๆตามมาต้องคอยดูแลรักษาคอยหาวิธีนวดน้ำคอยอะไรต่างๆรักษาให้มันอยู่กับตนแล้วในที่สุดมันก็ไปหมดอยู่ด้วยใช่ไหร่างกายเราเนี่ยพยายามดูแลรักษาแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวมันก็ไปหมด มันก็เพ่งแต่ว่ามันจะอยู่ได้ได้นานหรือไม่นานได้อันนี้พอจะทําได้อยู่ในอยู่ในวิสัยที่เราจะพอดูแลได้ถ้าเราไม่กินเหล้าไม่ยาไม่สามภเวณเทมาประทานอาหารพอประมาณหลับนอนพักผ่อนพอประมาณออกกาลังกายอยู่สม่ำเสมอมันก็จะอยู่นานแต่ถ้าใช้มปนแบบสมุทรบาลเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ถ้าเราใช้มันอย่าสนุนถนอมันก็ มีอายุยาวกว่าใช้แบบสมุนไพรถาเอาใช้มันตั้งแต่เช้าถึงถึงมืดเลยวิ่งมันตลอดตลอดตลอดเวละกับคนที่ใช้แค่ท่าที่จําเป็นขับไปถึงที่ก็จอดที่ไม่ไปทํางานเช้าไปถึงที่ก็จอดที่ไม่เย็นก็ขับขับบ้านเนีมันอายุของขายอายุ ข, ขายของรถยนต์ของคันนั้นมันต้องยาวกว่าของคนที่เอาไปขับเป็นแท็กซี่ ขับทั้งวันเลยมันก็ต้องเสื่อมเร็วกว่าแน่เวลาเขารับรองรถเขาไม่รับรองที่เวลาใช่ไหมไม่อยู่ที่ว่าการใช้งานมันมากน้อยกันเ้ยร่างกายชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเราใช้มันมากน้อยเพียงไรเนี่ยน้องตูน้องตาท่านใช้นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยจะใช้เลยนะมันก็ยาวอายุเลยยาวนาน แต่ถ้าเราไปใช้เที่ยวกินเหล้าเมายาดูหนังฟังเพลงอดหลับอดนอนบางทีติดหนังติดละครแ ล, แล้วพอตื่น พ, พอตื่นแล้วก็ต้องไป <c oughs> ต้องไปทํางานต่อเ <c oughs> นื้องกายมันก็ได้ไม่มีเวลาพักผ่อนได้ไล่ <c oughs> ใช้มันหาเงินแล้วก็ใช้มันไปเที่ยวต่อ <c oughs> มันจะได้พักผ่อนก็ไ ม, ไม่ไม่พอเพียง ที่ผู้เล่าหลวงตาท่านบรรหารนันมนช่วงที่ท่านปฏิบัติมันไม่ได้เป็นเป็นตลอดเวลาช่วงระยะเวลาสี่ห้าปีที่ท่านปฏิบัติจริงๆนักๆเก้าปีเก้าปีปมันไม่ใชหนักมากแต่หลังจากนั้นท่นานก็ไม่ได้อดอีกต่อไปท่านก็ใช้่ป็น่กนติแล้วประกอบกับจิตใจที่มันสะอาดล้วสุดนั้นไม่มีอารมณ์ อารมณ์นี่ก็ขัดก่อนจิตใจได้คืออารมณ์ก็คือความเครียดนี้คนที่อายุสั้นบา ง, งคนก็ตายเพราะความเครียดใชะไหเพราะมันมีการเคลื่อนทําให้ร่างกายมีโรคอย่างอื่นเกิดตามมาความดันเบาหวานอะไรต่างๆ ม, มันก็ตามมาดังนั้นที่พูดก็คือสรุปก็คือเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่า จิตของขพระพุทธเจ้ากับจิตบุตรชนก็ต่างกันตรงตรงที่ว่าจิตของบุตรชนนี้มีมีความโลภความขุ่นความโหงอยู่ซึ่งมีมีอวิชชาเป็นผู้เป็นต้นเหตุของความโลภของความโกรธเพรไม่เห็นใจรักถ้าเห็นใจล้ว ก, ก็จะไม่โลภกับอะไรถ้าโลถ้าไม่โลภมันก็ไม่โกรธกับอะไรท้ที่เราโกรธ ก, ก็เพราะเราโลภ เราเรายึดยังติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้พอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่เป็นไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็โกรําแต่ถ้าเราไม่โลภกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใครจะทําอะไรเราก็ไม่ไปสนใจใช่ไหมเราก็ไม่ไปโกรธเขาลองถ้าไม่อยากได้อะไรทั้งอย่างไม่ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งอย่างมันไม่โกรธกันอะไรกันเลย ก็ลองสังเกตดูสิ่งที่เราไม่มีอุปทานยึ่ติดด้วยเราจะไม่มีความไม่สบายใจไม่ความโกรธับสบนั้นน่นเราจะทำอะไรก็ทําไปเลยใช่ไหมใสกาแฟนี่ไม่ได้ถ้าคนใกล้ชิดนี่ไม่ได้ถ้าทำอะไรผิดไดโอ้โหยโกรดยาดูถ้าสังเกตดูเราจะเห็นวัเนี้เพราะว่าเราเรา ไงครัคนนี้ไม่ใช่แฟนเราเขาจะเป็นงานช่างเขาคนนี้เป็นแฟนเราเขาต้องเข ต, งงต้องอย่างนั้นต้ <c oughs> องอย่างนี้ขึ้นมาทันทีพอกขาไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็โกรธขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วบอกวันนี้แต่คนนี้ก็เหมือนกันเขาก็มีมีความเป็นอิสระอาของเขาเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ต้องทําถ้าอยากจะเป็นอะไรเขาก็ต้องเป็น แล้ววันจะเป็นแฟนเราแล้วไม่เป็นแฟนเราเหมือนกันคนี้ไม่เป็นแฟนเราเราไม่ไฝ่หวังอะไรจากเขาเราก็ไม่รู้คนที่เป็นแฟนเราเราก็อยากเปหวังอะไรจากเขา <c oughs> เราควรจะยินดีตามมีต า, ม, ต า, ม, ตา ม, มเกิดเราอยากจะพาเราไปเที่ยวเราไปก็ไม่อยากจะพาเราไปก็ไม่ไปอันนี้กระจกแต่เราหวังผูกฝาดความหวังไว้กับใจเรามาก เขาต้องเป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนเป็นคนใช้หรือเหมือนอะไรที่ทําตามใจเราเสมอครั้งทำ ท, ที่อยากทาําให้เขาตามตามใจเราแม้ก็เป็นความอยากประทานเสมอฉั้นพยายามอยู่แบบสันโดษยินดีตามมีือตามเแต่ไม่ว่ากับใครกับคนใกล้ชิดกับคนที่ไม่ใกล้ชิดกับคนที่รู้จักหรืไม่รู้จัก เหมือนกันแล้วจะไม่แล้วจะไม่คิดใจไปกับเขาจะไม่คิดใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อะไรมาก็พอใจพอใจโดยถ้าถ้าจะดีก็อย่าไปหยายได้อะไรเลย่ดีอ่ะนี่คือการเห็นเห็นเห็ น, หนด้วยปัญญาเห็นว่าความทุกขของเราเกิดจากความหลง ที่ไปอยากในสิ่งที่เราถ้ามันเป็นไปตามทางอยากเราไม่ได้สมอไปได้รังเวลาเวลาที่จะเอาเอาเข้าใจกันเนอะโอโหที่ อ, อยากหวานยันหมดดียังหมดพอเวลาที่จะขัดใจกันนี้อะไรนี่ อ, ห น, อหน่อยก็ไม่ได้เราต้องยอมรับทั้งทั้งสองสภาพนะเวลาที่เขาจะเอาใจเราก็ได้เวลาเขาจะไม่เอาใจเราก็ได้ เวลาเขาจะขับใจเราก็ไดนะ้ให้เขาขัดไปแล้วเราไม่ไปหวังอะไจากาเขาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหงือว่ายากจะให้เขาพาไปเที่ยวเขาไม่พาไปเลยนก็ไปของเราเองก็ได้ถ้าอยากจะไปมันก็เหมือนกันไงหรือถ้าดีก็อยากไปอยากเที่ยวอะไรดีดดดดดดดด่ดีอ่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่มีปัญหา แค่พอพูดถึงคําเที่ยวอะไรแสดงว่าเที่ยวเก่งจับมาองั้นที่ต้องมีสติก็เพราะว่าจะได้ดึงจิตให้มามาแก้ปัญหาไงเพราะถ้าจิตมันไม่มีสติมันก็จะล่องลอยไปตามอารมณ์มันก็จะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาที่ต้องแก้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเป็นอารมณ์แล้วมันมันมันมัน มันอย่ในโยกของความฝันเลความเพาะฝันมันก็จะก็ที่ตั้งตั้งตัคงตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตังตั้งตั้งตั้งตันงตั้งตั้ตั้งตั้งตัมงตั้งตั้งตั้งั้งตั้งตั้งตั้งต้งตั้งตั้งตังตั้ต้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งมั้งตั้งตั้งตม้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งต ไม่ต้องมีแนละ้ไม่ต้องไปตั้งสติแลเพรามันไม่ไปไหนนะ้มันอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาหรืาคิดอ่านเรื่องการงานอย่างอื่นก็มันก็คิดด้วยเหตุด้วยผลไงในปัจจุบั น, นอ่าในปัจจุบันเสมอหรือแม้แต่จะคิดในอดีตก็ได้มาย้อนไปเราเล่าถึงอดีตที่ผ่านมาก็ได้แต่มันไม่มีอารมงกับอดีตเนี่น มันก็ถึงกันรู้ว่าอ๋อเคยทํอย่างนี้เคยอยากอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้แล้วก็เคยง่อย่างนี้อะไรอย่างนี้ไปทั้งแต่ไม่กลุ่มแต่งแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไปมีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันไม่ได้มีอารมณ์อ่าเราไม่ได้คิดแล้วอ๋ออยากจะย้อนกลับไปในอดีตบางทีเราคิดถึงกุ่มปารีเมื่อสมัยเมื่อสิบปีก่อนเคยไปพอคิดปั้มนันเกิดอารมณ์อยากจะไปใหม่แล้วอย่างนั้นไม่มีอ๋ออย่างนั้น อย่างถ้ามาคิดถึงม่นตานเนี่ย mm. ก็คิดเม่อไปเอยู่นั่นานี้แต่ก็ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไป mm. แต่ถ้ามันถ้าเรามีอารมณ์บางทีก็ไปนะไปได้ mm. ใช่ไหมพอคิดถึงปั๊บเราคิดถึงสมัยนั่นสมัยนี้นก็ไปกัน mm. อย่างพวกเราบางทีก็คิดถึงที่นั่นที่นี่บางทีก็ไปกัน ท, ทั้งที่ไม่มีความจะเป็นจะต้องไป เพราะมันเกิดอารมณ์แล้วคุณไปปัญญาได้ไหมคะคุณไปปัญญาอยู่เสมอมันเหมือนกันไงคือไปด้วยปัญญามันก็ร่วมเหมือนกันอยู่ที่อยที่นั่นที่นี่มันก็เหมือนกันเป็นป่าเหมือนกันเราอยากมาที่นี่ก็ปิดยา่่เห็นานของเรามาที่นี่ลยไม่ใช่เฉยยานอยากมาเฉยฉนนั้นทุก่านเคยอยู่อเมริกาที่อยู่เคยเคขีอยากกลับไปเลี่ยม อยิ่งคิดยิ่งไม่อยากกลับไม่เคยคิดใหญ่จะกลับเลยอยากไปไหก็เจอที่ที่เคยอยู่อะไรเงี้ยนั้นมันมันเฉยๆส่วนดีมันก็ไม่ดีพอกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วส่วนที่ไม่ดีมันก็ทําให้เราขยานแค่นี้มันก็เลยไม่รู้จะไปไหนทั้งวันมันไม่รู้จะไปไหนส่วนดีมันไม่ดีพอที่จะเดินออกไป แล้วพอคิดถึงส่วนมันดีก็ยิ่งทําให้เราไม่อยากไปอเพราะมันมีทั้งดีไม่ดีทุกทุทกที่ทุกแห่งเพียงแต่คิดว่าจะไปนี่มันก็ขยันนะเพราะมันต้องเตรียมตัวเตรียมการนะหารถหาหาอะไรต่างๆาไม่อยากไปเออ ก็วันนี้ท่านก็เฉยเก็มีภารกิจมันทุกอย่างมันมันถึงเวลาของมันมีอะไรทําของมันไปตามเวลามันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องไปทําอะไรมากในการนี้แล้วมันไม่เบื่อมันแตกตรงนี้มันไม่เบื่อถ้ามันเบื่อแล้วก็คงยามันไม่เบื่อไปก็เลยอยู่ถามท่านว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าที่ท่านขันนี้มีเมตตาต่อคุณก็มีจิตซึ่งไม่เบื่อเลยใช่ไหม คิดนะเพราะว่าไม่ง้นพรอาจจะเมตตาคนทั้งหลายคือว่ะอาจารยถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนตนไงถ้าไม่มีเวลาที่พระนั่งคิดหาประโยชน์ส่วนนั้นส่วนนี้จุดนั้นส่วนใหญ่เวลาท่านว่างอยู่แล้วนั้นพอใครเข้ามาปั๊นี้ท่านก็สามารถที่จะสลละเวลาของท่านนั้นให้กับเขาได้ถ้าเป็นทางด้านธรรมะแต่ถ้าเป็นทางด้านโลกท่านก็ตัดไปนะ มันก็ไม่เอาด้วยทมนหรือว่าแม้ว่าคาถามนี่จเป็นคำถามที่กำักๆพวกมึงแกใจก็ไม่เป็นไรไม่เบลไม่เบื่อคาถามถ้าเป็นธรรมะไม่เลื่อแต่ถ้าเป็นคำถามที่มันไร้สาระนี่เลื่อทลูกกลับไปถามที่ที่กันถามตั้งใจล้วท่านเคยคิดอยากกับไปนหมเป็นบางทีูกไปเห็นพระบางองค์เขาจะชอบไปเที่ยวมงเที่มีอะไรเี้ ก็ใจไงสายต่างกันอย่างนี้ใจยังมีความอยากอยู่ใจยังอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วพอไม่มีสติถูกอารมณ์อยากปรากฏขึ้นมาปั๊บมันก็เหมือนอยากบุหรี่อยากเล่าไงยังท่าตอนนี้มูลท่าอาจารย์ไปธรรมะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเลยเหตุผลของการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านท่านไป คือถ้ามันมีเหตุผลที่ว่ามันมันมันจาเป็นมันสาคัญจริงๆที่มันชนะเหตุผลที่ให้อยู่ได้มันก็ไปแต่ถ้ามันไม่ชนะเหตุผลให้ให้อยู่ได้มันก็ไม่ไปตอนนี้ไม่มีอยากอยางไปอินเดียไปอินเดียมันไม่มีมันไม่มันไม่มีเหตุผลพอที่จะให้ไป พี่ตั้งใจก็เรื่องเราไปเราเป็นคนสอนล้วให้คนเขาอยากจะฟังมาหาเราสิไปหาเขาทําไมบันนี้ใช่ไหมไปหาเขาบางทีไม่ได้ไปอยู่ถเท่าก็มาหาเราเพราะคนที่เข้ามาหาเราเขาเขาตั้งใจเขาอยากจะฟังส่วนใหญ่คนที่มามิมนเนี่ยเขาเป็นคนอยากให้ไปแต่คนที่ไปฟังนี่เขาเลือกไปฟังแบบลัดแต่กรณีของแต่ละคนบางคนก็ถูกเกณฑ์ให้ไปน บางคนก็ถูกเช่งจูงอยู่โฆษณาให้ไปแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าทส่วนแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่ดีนะสำหรับบางองค์ท่านถ้าท่านท่าน ถ, ถนัดแบบนั้นท่านที่จิตของแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันในในกรณีต่างๆ บางท่านก็คิดว่าเมื่อเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาเพื่อที่จะได้ให้เขาได้มีโอกาสรู้ตาสว่างขึ้นก็แสดงว่าท่านอาจจะมีความเมตตามากกว่าค น, คนที่ไม่อยากจะไป <c oughs> หรือว่าจะเป็นตลาดที่มันไม่เหมือนกันคือรถก็มีรถหลายระดับใช่ไหมรถที่รถแบบรถกระบะนี่ก็เป็นตลาดเนีไงรถเจ๋งก็เป็นตลาดนไง คนที่สนใจธรรมะนี่ก็มีหลายระดับคนที่แบบทั่วไปพอฟังพอพ อ, อ, อมีอะไรเป็นเชื่อบ้างก็มีคนที่กําลังปฏิบัติและต้องการคนคอยคอยแก้ปัญหาให้คอยคอยบอกทางให้อย่างใครคิดนี่ก็อีกคนพระยานครับล้วอาจจะมุ่งมาทางนี้มากกว่าทางด้านของคนที่สนใจในทางปฏิบัติมากกว่า เราพึ่มีโอกาสได้สอนกับญาติโยมกลุ่มเนี้ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้สอนกับนักปฏิบัติเท่าไหร่เพราะไม่มีที่มาที่มาที่มาทําบุญให้ทานตอนเช้าก็จะไปเหน็บขั้วก็สังเกตดูว่าการสอนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เคยมาถามปัญหาเราพวกที่มาฟังทางานผู้กระทำมากไปเขาเขาเราเขาทำบุญจางบานฟังเพศฟังธรรมเสร็จเขาก็กลับบ้านไม่เคยมีปฏิสังฐารเล มีบ้างก็น้อยมีบางรายแต่น้อยมากไม่เหมือนกับกลุ่มนี้ก็สือว่าจะเป็นกลุ่มที่ <c oughs> ปัญหาเยอะ <c oughs> แต่มันก็มันก็ ม, ม, กมีมันก็มีเหตุผลนอะเพราะว่าภาวนาแล้วมันก็ต้องติดด้วยกันมันต้องมีปัญหาถ้าเป็นปัญหาทางภาวนาก็ไม่ไม่เป็นปัญหายอย่างนี้ก็ถึงได้ได้ทำมากแบบนี้ออกมา เมื่มาต่างประเทศท่านก็จะดูกลุ่มคนด้วยใช่ไหมคะว่าผู้ฟังเป็นยังไงต่างประเทศเพื่อนเพื่อนประศสูงที่มาไหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีมันไม่ต้องดูมันมันความสัมผัสกันนี่มันจะมันจะรับรู้กันทันทีแล้วคือมันไม่ได้แบบว่ามันตั้งใจนะมันมันมันก็มันมันทราบมันเป็นยังไงมันดูกิริยาการมันก็บอกแล้กิริยาของคนที่มาเนี่ย ว่ามันอยู่ในในในในธรรมแบบไหนในธรรมขั้นไหนแต่เมื่อวันเสาร์ก่อนก็มากลุ่มหนึ่งเขามาถึงแล้วเขาก็มีมวลไปนี่นะเขาก็มีมวลให้เทศธรรมะเราก็พูดกลับไปว่าเอาหูมาฟังหรือเปล <c oughs> <c oughs> ่าถามว่าทำไมท่านตอบท่านถาม ก็เพราะว่ามันบางคนมาแล้วมันมันไม่ได้ฟังมาแต่ร่างกายแตไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจต่างมาเพราะว่าบางทีต่างกันมาชวนกันมาซึ่งเป็นอย่างนี้จริงๆพวกนี้เขาเป็นเพื่อนกันไปเรียนหนังสือร่วมกันแล้วอยู่ต่างประเทศแล้วมาเมืองไทยแล้วก่อนที่อยู่เมืองไทยนี่เขาเป็นคนสนใจปฏิบัติเขาก็อยากจะดึงมาให้มาเข้า แต่ดูกิริยาการขอเขาแล้วาไม่ได้มีมีอย่างนั้นคตอนวันที่ยี่สิบที่ลูกมาติดเกมอาเขาตั้งใจมาหาจ้าวท่านปฏิบัติเขาจะเป็นการติมหาเขาตั้งสองชั่วโมงเกิดทีวีค่ะถึงเขาจะเกิดแล้วก็เลยบอกว่าเราก็เลยต้องหาวิธีทำให้เขาเกิดความสนใจเราก็เลยบอกว่าบางทีเราไม่ไม่ไม่พูดก่อนคุเราจะให้คำถามก่อน เขาจะเลยไมันจะถามอะไรนี่่ะบางทีถ้าไม่ได้ปริบาร์กไม่รู้ะถามมันไม่ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้จถามเปล่คนนึ้นเขาก็เลยกล้าบอกว่างั้นขอให้ท่านเทศแก่นของศาสนาเขาล่ากันมันก็บอกว่าแก่นศาสนาก็คือใจลองตัวเราที่ศาสนามีอยู่ได้ก็เพราะมีมีใจเราเป็นหลัก ใจเราเป็นปัญหาศาสนาจึงต้องมาแก้ปัญหาใจของเราก็เลยพูดไปอยู่ครับระยะนึ่งเป็นกวนแก้เวลาน้าจากมีเด็กๆมาบ้งเด็กนักเรียนในนี้สิบสอพวกเด็กๆเกิ่เาเด็กก็เริ่มอาจจะมาส น, น, น, น, นใจก่อนแต่เขาก่อนในปฏิบัติเขาจะปัญหายเยอะมากไม่ค่อยมี คุเด็กไม่ได้มีนองจากที่ติดมาติดหลานแ<า>ล้วอย่างล้า น, านาอะไพวกนี้เพราเริ่มสนใจเขาเห็นพวกเขาสนใจกันแต่เ <ปะ S 3> อยอะมากแต่คงยังไม่สนใจพอที่จะเข้ามาหาแบบนี้อาจารย์คะตอนนี้จะเรียนกาบเรียนถามว่าสําหรับพระเนี่ยนะคะเห็นพระพระในะะว่ดมันอไหรเวลาภาวนาเนี่ยเวลติดปัญหาตัวใหญ่จะไม่กล้าถามจะไปถามลองถามครูบาอาจารย์ลองมากันมากกว่า ถ้าสรั่งก็ไปถามจากปัญญาถ้าภาคไทยก็ไปถามครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่อยู่เก่ามาก่อนเช่นสมัยก่อนก็เมียังปุบรีท่านอาจารย์อินทวายอาจารย์มิ่งเมฆสมัยที่ทำอไอยู่ก็มีหลายรูปที่จะไปถามได้แต่ถ้าฟังเป็นเนี่ยมันไม่ต้องถาม สิ่งที่หลวงตาเทศมันมันอยู่ในนั้นหมดแล้วนี่แต่ว่ามีสติฟังธรรมหรือเป่ากนี่ยเพราะอะไการฟังธรรมนี้ก็ต้องมีสติพอเผลอแวบหนึ่งแล้วสิ่งที่ท่านพูดนี้มันหลุดไปแล้วมันมันท่ามันทางแล้วนี่คือความหมายของสติคือเป็นการตั้งจิตให้รับกับสิ่งที่จะเข้ามาในในใ น, นจิตถ้าไปความจิตเนี่มันก็ไม่เขา ฟังเทศไปครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าท่านเทศอะไรงูแต mm ่ hmm. นั่งคิดเสียงลูกหลานพี่น้อง mm hmm. เรื่องงานเรื่องการเรื่องธุรกิจอะไรอย่มันก็ไม่มันก็ไม่เข้าไปเลย mm hmm. นี่เข้าใจคำว่าสติพิจิตรเลยใจนี่ฮะมันคนะอย่างกันเกี่ยนนี่เป็นตัวรู้แต่ตัวรู้ที่มันยังเป็นเหมือนเด็กอีกถ้าเป็นถ้าเป็นจิตของปุถุชนไม่มีวินยัยไม่มีระเบียบ mm hmm. ไม่มีการ ควบคุมบังคับปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์เหมือนกันเด็กอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยากจะกินก็กินอยากจะดื่มก็ดื่มอยากจะพูดอยากจะวิ่งอยากจะเต้นก็ทําไปถ้าอ่งนั้นเลิกฝุดสติได้แต่เลิกจิตแล้วล่ะฝุกจิตหรือสุดสติฝุดจิตฝุดจิตหรือฝุดสติเอาสติมาบังคับจิตให้มันให้มันรับ ให้มันอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักของสติก็คือให้จิตมันอยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุการณ์มันเกิดแต่ในปัจจุบันมันไม่เคยเกิดในอดีตมันไม่เคยเกิดในอนาคตเองแต่จิตเราส่งไปในอดีตเองส่งไปในอนาคตเองขณะที่ส่งไปมันก็เป็นการกระทำในปัจจุบัน<ม>ใช่ไหมเราปุงแต่งขึ้นมาปรุงถึงอดีตปรงถึงอนาคตมันก็เป็นสังขารหรือสัญญาของตัวนี้ที่ทำงาน นึกถึงม่อวาเนี้ปั๊บเรก็คิดเลยเมื่อวานี้ทาอะไรบ้างเปลีนยนใครบ้างอะไรบ้างแล้วเม่อก่อนในปัจจุบันแต่จิตไม่รู้สึกตัวแล้วจิตนั้นไปคิดว่าอยู่ในอดีตในขณะนั้นบางทีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะไม่รู้สึกตัวเดินไปนักคิดไปอย่างนี้บางทีศีรษะไปชนเสารเรือไปไปดยนเหยียบอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามีสติอยู่มันต้องรู้อยู่กับการเคลื่อนไหว ต้องปัจจัยปัจจัยร่าง ก, กายเคลื่อนไหวก็ต้องมีู ก, กับการเคลื่อนไหวของของกายเดินจะได้ไม่เลื่อหนหกล้มแล้วหัวไปชนอะไรเขา้าไป แ, แล้วพูดถึงยุคแต่ระหว่างที่ความจำมันลงดึงตอนนั้นคะ ว, วัสดุอยู่กับปัจจันความจํามันเป็นเรื่องของดึงปัญจัยมันเพียงแต่ดึงมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ดึงขึ้นมามันก็ลื่นไปเลยบางทีนะ แต่เปนความจำมันมีสองลักษณะบางทีอันนี้เป็นเรื่องของการดึงมันระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆแต่บางทีเจอหน้าคนบางทีก็บางทีจําไม่ได้อายุแล้วอมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปยังคนที่ส่งเทปส่งซีดีแผ่นนี้มาให้เขาอยู่บ้านตากมาก่อนวันนี้เขามาเมื่อเดือนที่แล้วตากมาฉันมาถึงบิ๊ก ก็มัจําก็ไม่ได้แต่เาคล้ายเขาคลาดเร า, ายยไม่รู้ว่าชื่อเขาเป็นยังไงพพนเพืมาเพื่อเมื่อมาได้กอดว่าพอดีก็สง่งส่งส่งแผนซีดีนี้มาแล้วเขียนชื่อว่าอ๋อที่นี่ประจําไม่ได้แต่ไม่ได้ก็หน้าตามันมีเท้าอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นานลืมไปแล้วว่าใคยเคยเจอคนรูปร่างลักษณะนี้ในเหตุการณ์อย่างไรเคยมีความสัมพันธ์ยังไง นั่นคืออยู่แล้วาอสําถังที่ที่ใครที่แตรู้ว่า เ, าเคยเคยพูดกันหรื อ, อเปล่านี่จำไม่ได้เคยคน <c oughs> นั้นแต่ก่อนจำไ่ได้นะคัอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำแต่าที่ทำอะไรพบผ่านไปนี่มันก็ลืมได้นะที่จินยาเสร็จแล้วไม่รู้จาไม่ได้คุณไม่อยากพูดแปลนาเรื่องตง มันมันเป็นความจำอะคือว่าเป็นันเป็นสัญญาณนอกจากเราจะใช้หลักของเหตุผลในหลักขั้นตอนเช่ว่าเวลาเราจะกินยาเราต้องวางยาไว้ด้านแค่ ตอนนี้ยาที่ไม่กินไม่ได้ น, นี้เรากินได้วเราไปทั้งไปที่นี่รรเราจะรู้ว่าวันนี้กินยาหรือยังอ๋อมันอยู่ตรงนี้แสดาว่นนากินแล้วอะไรอย่งนีถ้าอยู่ตรงนี้มันยังไม่ได้กินหรือไม่มก็ต้องทำกล่องเป็นวันวันค น, น, น, นที่เรอกินยาสัญญาเป็คนแจก่เนหนตาลนี้่ดบันต้าต้องมีลุกสรนคแต่กุฏิทางนี่ไหมาไม่นได้ ท่านอาจารมอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายให้กระจ่างท่ยนหนู้ตาท่านบอกว่าบรรดาพระรยาเจ้ามืมได้เือมืมได้แต่อริยสัจไมด้ท่านอาจารย์อธิบายให้กระจ่างงนี้เพราะว่าความความจํามันเป็นสัญญามันมันเป็นขันน่ะมันเป็นขันแต่อริยสัจนี้มันอยู่ในจิตที่เหมือนก็ไม่สามารถจะอธิบายไงมันมันเลยเพราะมันเป็นส่วนที่จะจ่างตลอด มันอยู่ติดกับใจไปตลอดมันไม่ลืมเพราะมันมันเป็นเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่พูดได้แค่นล้กเวลาทุกข์มันก็ทุกข์ที่ใจแล้ตัวที่ทําข้างสร้างความทุกข์มันก็อยู่ในใจมันก็รู้ว่าอ๋อไอ้ตัวนี้มันเวลาพอมันทําอะไรตบมันก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้ทําทําไม่ได้เช่นก็อยากไม่ได้ใครต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันมันนู่อยู่ในใจ แต่ไอเรื่องของสัญญานี่มันอยู่นอกใจเราไปเรียกมันขึ้นมาเราเรียกมันขึ้นมาอันนี้ก็มันต้องต้องเป็นสันธิโก้ท่าอาจารย์ก็บางทีแบบว่าเราเดินภานาหรือเราทำภาวนานะ่งทีมันมัน ที่ว่าอะไรบางสิ่งที่เราควรทํามันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนเยอะอะไรมันเป็นสัญญาสัญญาสัญญาสังขารเนี่ยซึ่งไม่ควรให้มันผุดขึ้นมาแต่เราภาวนาได้ให้มันอยู่ต่อจิตให้มันอยู่กับพุทโธอยู่กับอยู่กับการกระทํานั้นๆก็เมื่อวานนี้มีพราท่างก็ ว่าถ้านานหนังสือของอาตมาแล้วท่านก็บอกว่ามันมันมันไม่เหมือนกับที่ท่านไปเรียนจากพระอาจารย์ทางพระอุตสาหอยู่ตรงที่ว่าทางพระอาจารย์ท่านจะสอนให้พุโทโธไปตลอดไม่ว่าจะทํากิจกรรมบันใดให้พุโทโธไปตลอดแต่ก็บอกว่าก็ได้แต่ที่เราพูดนั้นก็มันก็สำหรับนคนบางคนนี้สติน้อไม่แรงพอมันไม่สามารถเดึงให้อยู่เข้าการกระทํานั้น หมือ็ว่าเราสักแต่ว่ารู้ว่ากําลังกวาดกํากลังอะไรเนี่ยมันกวาดไปมันยังอดที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาถ้าย่างนั้นก็ต้องใช้พุทโธกํากับไปด้วยความรเป็นอย่างนัถ้าติดของเราแรงสติของเราแรงพอเนี่ยเราไม่ต้องพุดโทธก็ได้ตั้งอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่กับการเดินอยู่กับการทํางานของเราเนี่ยไม่ไม่ใช่หนึ่งก็ได้ เพาะในมาสติประธานสี่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีทุท่ธทใช่ไหมท่านก็สอนให้รู้อยู่กับอิเลยาบทสีให้รู้อยู่กับกิจกรรมต่างๆที่กําลังทําอยู่กําลังเดินยืนกะบะดกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวามองทรงไปก็ให้มีสติรู้อยู่กักบการกระทํานั้นนั้นมีตลอดเวลา ถ้ทำทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ใช่ถ้าถ้าสติเราอ่อนแล้วมันค้ายๆมันจะหลุดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธแล้วแต่บางขนาดพุทโธแล้วมันก็ยังหลุดไปเราไม่รู้สึกตัวอ่าพุทโธไปก็คิดไปควบคู่กันไปใช่ไหมมันก็ต้องรู้ว่าําลองไม่พุทโธนะเอดีม เพือนเขาถามท่านอาจารย์ว่าว่าเขาใช้วิธีแบบระรึกดูตลอดเวลาที่มีสติจะทำอะไรอย่างรี้ค่ะคือการระลึกนี่อย่างที่อธิบายว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการสร้างสติเพื่อให้ไปสู่จุดหนึงคือการหยุดจิตแต่ถ้าเราตามรู้อยู่เรื่อยมันก็เหมือนกับถ้าเราตามจิตอยู่เรื่อยมันก็เหมือนกับตะพุกเงาเดินตามเงาอยู่เรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดอ่ะเต่อมาเราต้องมีจุดที่ต้องต้องหยุดจิตให้ได้แต่วพวกที่เขา เขาเดินทางนี้เขาพี่ว่าเดินเพียงแต่รู้ก็พอแล้วรู้แล้วเวลาเวลาโลภ ก, ก็หยุดมันได้เวลาโกรธก็หยุดมันได้เขาคิดอย่างนั้นมันอาจจะหยุดได้ในบางการณีในบางเรื่องแต่บางแต่มันยังไม่สามารถที่จะหยุดได้อย่างถาวรหรือยอย่างอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราสามารถหยุดจิตได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะหยุดได้หรืกเปล่า เพ้นพวกนี้ก็จะไม่เน้นทางด้านทำจิตให้รวมเขาที่ยาไม่จำเป็นใช่ไหมขอให้ตามรู้ตามรู้รก็าขนาดรวมแล้วยังไม่ค่อยจะทำอ่าไม่เป็ไไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผ้าตอนนี้ก็มีสาวพอันนแต่สตินี่สำคัญการตามรู้เขาความยังไม่ได้ตามคือท้าให้มี ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายก็ได้ของเวทนาก็ได้เมื่อเวทนาเกิดสุขกิทุกข์ขึ้นมาก็ให้ร e ู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้กำลังสุขนะตอนนี้กำลังทุกข์นะแต่หลักสำคัญก็คือให้รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วไม่ให้มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้อยู่ทุกข์ก็ไม่ให้มีอารมณ์กับมันสุขก็ไม่ให้มีเงียบงกับมันสุขก็ไม่ยึดติดทุกข์ก็ไม่ปัดหนึ่ง สุก็รู้ว่ามันสุขทุกข์ก็รู้วมันทุกปล่อยปล่อยมันไปตามนิ่งของเราเพื่อจะได้ไม่ไปไปทําให้เกิดทุกข์อีกอันขึ้นมาคือทุกข์ใจนี่มันมีทุกข์สองตัวซซ้อนกันอยู่ตรงนั้นเวลาทุกเวลาทุกทางกายแล้วใจจะทุกข์ตามขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติแล้วบอกว่าทุกกายก็ปล่อยให้มันทุกขี่กายนะแต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันให้เพียงการรับรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ แล้เดี๋ยวมันก็ต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วโดยอย่างไรอย่างนึ่มันต้องดับเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงในชีวิตของเราในแต่ละวาเนี่ยเราสัมผัสกับทุกข์กับสุขครับไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่นิ่อยู่เรื่อยๆมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็สําคัญอยู่ที่ใจผู้รู้เนี่ยอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปยินดียินร้ายกับมันนี่คือสิ่งที่เราส่วนใหญ่จะทํากันไม่ได้พราเราจะอะไรที่ทําสุข พอพพพถ้าเป็นความสุขแล้วรู้สึกว่กาโหดีอกดีใจอยากจะให้เป็นอย่างนี้ไปนานๆแล้วพอมันหายไปยังไม่ทันทุกเลยก็ใจทุกขึ้นมาละเสียดายอะไรอววรคิดถึงความสุขนั้นๆในบางทีเราอย่างเพื่อนปูงมาเจอกันเนี่ยเราก็ดีอกดีใจได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วพอถึงเวลาต้องแยกทางกขับขับบ้านกัน ถ้ารู้สึกจะเศร้าฟร้อยหี่ยวเหี่วขึ้นมาอันนี้คือคือคือใจประเป็นเองเวลาดีใจก็ใจผูกขึ้นมาเวลาใจเศร้าฟร้อยหี่ยวเหี่วมันกำลันพุ่งลงไปแต่ถ้าเรามีสติแล้วคอยสอนใจว่าอย่าไปดีใจกับเหตุการณ์นั้นนะถ้าอย่าไปเสียใจกับเหตุการณ์นั้นเวลามันมันผ่านไปมันก็จะเฉยเฉยมันก็จะอยู่วงกรัร นั่นคือเป้าหมายของการภาวนาคือต้องการรักษาให้จิตนี้อยู่ในอุเบกขา <c oughs> อยู่ในความสงบแต่ถ้าเราไม่มีความสงบเราจะไปรู้เลยว่าอุเบกขาเป็นยังไงความสงบเป็นยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เหมือนกับตาช่างถ้าเราถ้าเราไม่ไปก่อนที่เราจะช่างของถ้าเราไม่ไปไปปรับให้มันอยู่ตรงศูนย์เนี่ยเวลาเราช่างของเนี่ยเราจะไม่ได้น้ําหนักที่แท้จริงของของสิ่งนั้น ถ้าถ้าตาช่างมันแก่ไปหนึ่งกิโลเวลาช่างของมันก็จะต้องหนักกว่าของจริงหนึ่งกิโลถ้ามันอ่อนกวหนึ่งกิโลเวลาช่างมันก็จะเบากว่าของจริงหนึ่งกิโลถ้าจิตของเราไม่ไม่มีความสงบเป็นอุเบกขาจิตของเราก็ยังจะอยู่ในทางยินดีหรือยินร้ายอยู่แล้วเราคิดว่าเราอยู่ในในอุเบกขาแต่ความจริงเรายังยินดีอยู่ ที่เราสัมผัสก like ับการสูงนี่เราเอเราไม่เราไปเราไปขาเราไม่ได้ยินดีอะไรกับมันหรอกแต่พอมันหายไปแล้วถึงจะรู้ว่าโอลเราเยรายังเรายังติดกับมันอยู่เพราะเราเริ่มมีอารมณ์ที่เศร้าสร้อยเหงาเหงาตามมาฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าเราไม่ติดกับการสูงกับเพื่อนกับสูงกับคนนี้เราก็ต้องมาอยู่คนเดียวดูแลดูว่าเราเศร้อยร้อยเหงาหรือเล่า จิตเราฟุ้บแล้วจิตจิตอรกแทบไปแล้วเปล่แล้เวลาเพื่อนสูงมาเยี่ยมเรากินเราฟูขึ้นมาแล้วเป่าเพื่อนแงก็ว่าแหมเห็นฉั น, มฉนไม่ใจแต่ถ้าได้เห็นความจริงก็งมีความรู้สึกเห็นสูก็เห็นกายเห็นอะไรนี้ก็เห็นอย่างนั้นมันจะทําให้ใจสบงบก่อน มันก็ถ้าเห็นความจริงของการมันก็จะปล่อยความความยึดติดในกายได้เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนไปต่างสภาพของมันเห็นว่ามันจะต้องหมดไปทางขั้นตอนของมันมันก็จิตก็จะสงบระงับจากความกังวลจากความประสับกระสร่าย ต, ต่างแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เห็นความจริงอันนี้แล้วอย่างเช่นท่านอาจารย์ ตายตอนนี้เนี่ยท่านต้องไปเห็นความจริงมาร่างกายเนี่ยมันจะต้องเจ็บไา้ใน่วนและมันอาจจะตายได้แต่ถ้าท่านเห็นมาก่อนหน้าแล้วแล้วท่านรักษาใจให้เป็นปกติดได้มันก็เป็นเหมือนกับซ้อมโลกได้ก่อนถอาที่นี้พอมาเห็นความจริงท่านก็จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องทำจิตใจอย่างไรให้มันเป็นปกติ มันก็ได้ไประโยชน์ตรงนั้นก็คือเมื่อเห็นความจริงแล้วมันจะระงรับดับความกระสับกระสายความวุ่นวายความหวาดกลัวต่างๆได้หมดจะเป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดเหมือนกับขณะที่เรานั่งอยู่เนี้จิตใจของเรารู้สึกธรมธรมดาธรรมดาแล้วถ้าเกิดหมอก็าเตรวจโรครแล้วบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเรายังเรายังธรรมดาได้จิตใจเรายังธรรมดาได้อยู่หรืเรรอเ ไม่ได้ไไดนี่หละว่ารยังมีปัญหาอยู่ <c oughs> นั่นแหละคือการภาวนาควาหมายของการภาวนากเพื่อที่ตรงนี้เองถึงต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพต่างๆที่จะต้องมาปรากฏให้จิตใจรับรู้เป็นสภาพของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายหรือสภาพของเวทนาที่เจะต้องมีความเจ็บปวดบ้าง ไปหาหมอหมอต้องผ่าต้องต้องเงยบ็บต้องฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจ็บมากทําใจได้หรือเปล่าถ้าทําใจให้เฉยๆได้ก็สมายใจถ้าทําไม่ได้ก็ทุกข์ทมานไปเองเหตุการณ์อันเดียวกันคนสองคนนี่จะมีมีปฏิกิยาต่างกันอยู่ที่ว่าได้ฝึกผลอบรมมามากน้อยถึงไรคนที่ไม่เคยได้ฝึกฝนออกมาอบรมมาอะไรอะไ ร, ะไรนิดอะไรหน่อนี่จะบอดพบแท้ จะตกใจจะหวาดกลัวจะมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงคนที่เคยได้รับฝึกฝนอบรมมาแล้วก็จะเฉยๆเขาอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจิตก็ยังเป็นจิตอยู่กา ย, ย, ก, า ย, ยก็ยังเป็นกายอยู่ใครก็ยังเป็นใครอยู่เพียงแต่ว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วมันไม่มีจิตเลสมันไม่มีตัวที่ไปทําให้มันต้องหวาดผวาหวาดกลัว เต้นเต้นตกอกตกใจวุ่นวายกันหมดอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดมีได้มีเสียถ้ากัหดมีเท่ า, หาไหรก็เสียเท่านั้นเหมือนกันมีมากก็เสียมากมีน้อยก็เสียน้อยพราเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวหรือแม้เขาเอาเงินยัดเข้าไปในปากก็เป็นของสับปเปลือไป ถ้าค เ, เหลานี้เขาไม่เขาไปซื้อเหล้ากินได้คุณจะว่าถ้คนที่ก็าปฏิบัติมาถึงก็ร่างเขาไม่อยากจะไปเจอเพื่อนสูงเขาก็ไม่อยากไปเที่ยวมยายังอะไรก็อ ย, กอยากนั่งพอานานอย่างยังไมถือว่าเขาไปไปได้เอมันเป็นข <c oughs> ั้นของปฏิบัติมันยังเป็นกิเลสอยู่จรความไม่อยากนี่มันก็เป็นกิเลส <c oughs> เป็นมิภาะทต่างหากแต่มันเป็นมันเป็นกิเลสที่มันมันต้องเป็นมันต้องผ่าน แต่มันก็ดีกว่าใช่มล่ะก็ดีกว่าอยากไปหาผู้อยากรอยาไปเที่ยวคืก็ไม่อยากไปเที่ยวก็อยู่บ้านปัภาวนาอะไรแต่ะอย่างเดียวอเอ๊เอที่วัดเป็นเวลาที่ดีมันมี็นเวามไม่อยากแบบสองลักษณะไม่อยากแบบธรรมชาตินี้ดีไม่ไม่หิวไม่ต้องการที่จะไปแต่แต่ไม่อยากแบบกดแรงแบบถล่มบังคับเนี่ย ฝึกเงินแล้ววางฝึกเงินอยู่แล้ววางฝึกอยู่กับหรือว่าท่านจริงๆนะอย่ที่ท่านบอกเราไม่รู้เราแปกใจว่าพี่เขาไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากอะไรอยากจะพอนายอยากพอนายคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าการไปเที่ยวนี่มันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเ้าก็ไม่อยากจะไปแล้วก็แต่บางทีเนี่ย มันมีการที่มันจําเป็นจะต้องไปเแล้วถ้ามันมันไปมันก็จะทุกข์ใจมันก็ไม่สนุกกับการแต่กับนคนที่เขาไม่อยากไปเพราะเขาไม่มีความอยากจะไปจริงจริงแต่เวลาเขาไปเขาต้องไปเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์กับการที่เขาต้องไปความหมายกันอะไรเนี้ย แต่ในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติเหม่ยเราจะมีความไม่อยากจะไปเพราะว่าเราไปเราเราจะทุกข์ทรมานใจความทุกขาทรมานใจนี้ก็ยังถือว่าไม่ไม่ใช่ถ้าไปแล้ว ม, มันไม่ทุกได้อันนี้ถึงจะถือว่าแต่มันหลอกตัวเองไม่ได้ถ้ามันบอกว่าเ อ, อ, อย่างนี้เราไปไปแล้วไม่ทุกข์พอไปแล้วทุกความอยากมันที่ยังเหลืออยู่มันก็จะออกมา ฟูออกมาใหไม่มีความอยากมันละเอียดมากที่ต้องให้มีความไม่อยากเกิดขึ้นเลยมันก็เหมือนกับน้ำนะมันงานมันจะมันก็จะจืดลงไปเรื่อยๆจืดลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ถึงจุดที่มันจืดสนิทเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันความจืดสนิทนั้นเป็นยังไง <c oughs> แต่ความไม่อยากไว้อย่างเงี้ยมันดีแลนะเหลือเว่านี้บรากาศบางทีมันก็ทุกข์ทรมานใจแต่บางทีเพื่อนมาชวนไปงานแต่งงานเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับเรามาเราความจริงความโดยเหตุผลเราต้องฝ่าแต่เราพยายามที่จะเอาความไม่อยากนี้มากดใจไม่ให้ไปแล้วพอเราปฏิเสธเข้าไปแล้วเราจะไม่สบายใจนช่ไหมแต่ถ้าเราถ้าเรา มันไม่มีกิเลอมันจะไม่มันจะเฉยๆอ๋อมันก็ลเลยอย่างกันมันอาจจะปฏิเสธด้วยเหตุผลเช่นเพือ่อนถูงเ็าแต่งงานเขาจัดจะอัดนิมวันสมาไปงานเ่าเนี่ยเราเป็นพระเราไปไม่ได้แล้วก็บอกเราไม่ไปแต่เราจะไม่รู้สึกตกคิดตะโกงใจ